ภายในคนคนตัวยักษ์่เอปิบัติกา็อาจเรื่องเข้าใจเป็นคนห่เนี่ยั้อ่งนี้เนงานจที่เกิดนัำยาปฏิบัติสา่เนเราการปฏิบัติธรรมเนพวกเราท่าน ทิีธรรมบวชในพระพุทธศาสนาคตามมุ่งหวังตั้งใจของครูใหญ่หรือพ่อแ่ของมอยากจะให้ลุดหลานของตนที่เขามบวชมีความีความดเรื่อลาอุตด่างหอวาฝโรกฝ่ยธมความมุ่งหวังตั้งใจของคู้ใหญ่ ให้เข้ามาศึกษาให้เข้ามาปฏิบัติเราทํานอยู่ในโอาดีเข้ามาปฏิบัติในวัดองค์คณะของครูอาจารย์ขณะเวลาที่เราอยู่ในวัดไปปฏิบัติอาจทำเป็นที่เป็นฐานหรืไม่มีการขัดข้องเรื่องอะไร ควรจะที่นที่เจนะแกใส่ให้ความขิดพลาดเหล่านั้นตกไปในางใจของผู้ปฏิบัติสะดวกสบายธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรอื่นจากกายจากใจของผวกเล่อะฉะนั้นการศึกษาการปฏิบัติก็คือปฏิบัติกายล่าใจเท่านั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นสถักฐานคือศึกษา การงานด้านอื ok ่นของผู้สืบตมบรรณนักบวชกรณีมีอะไรนอกจากจะมีจิตกำหนดใจของตนว่าเป็นอย่างไรจะเดิญด้วยเสียงเป็นฝ่ายสู่ส่วหลือสุยส่นเป็นสายโลกหรือฝ่ายธรรมจะต้องมีสติสืบสอบที่ไม่ใช่รงนาอยู่ทุกระยะเวลาในกปล่อยให้สัญญาอารมณ์ส่วนอื่นดึงเอาเวลาด้วยวัน ในเสียไปเมื่อฟูใดมีความใสจิตนิจเจรินาศึกษักฝึกหัดดักแต่สีปัญญาของตนมีอย่างนี้จิตของตนจิเคยตายแต่บุญวายไปภายนอกพอจะกลับเข้ามาอยู่ภายในจะมีความเยือกเย็นทางใจของตนมา่อย่างนั้นวันคืนที่ผ่านไปก็หมดไปเปล่า ไม่เป็นสารประโยชน์อะไรใั้การบวชเลยไหนมีคุณผ่าราคาอะไรอาจจะเกิดสงสัยในตัวเองว่าเราไม่มีวัฒนะเราบวารราชเป็น้าเป็นเงินปฏิบัติอาตธรรมไม่รู้ไม่เห็นอะไรอาจจะเมาไปอย่างนั้นก็ได้หรือไม่อย่างนั้นก็จะเมาไปว่าการ น, นี้สมัยนี้เวลานี้เขาใช้เจ้าร่วง ร, ร, รับรร่วแบบขันพ้ะนิทานไปนานแล้วมรรคผล ธรรมวิเศษคงไม่มีความวางสายส่วนนี้จะเกิดขึ้นเพราะไม่เห็นไม่เป็นในตัวฉะนั้นทุกท่านที่ตั้งหน้าต่างๆมาปฏิพัติปฏิบัติอจงทากันยิกเล่มขว้านไข่ทำเทียนให้มากเท่าจะไปนอนหลับทับผิดเพราะเวลานี้เป็นเวลาที่ต้องควรอย่างยิ่งที่พวกเราทุกท่านจะใส ย, ยันหมันเพียนใน ตางภาว น, นาเพราะร่างกายก็ยังไมมีาการเจ็บป่วยอะไรคอยะต่ต่างๆต่า ง, างก็จะปฏิบัติไ ด, ด้ยิงต้าอ า, ากาศก็เหมือนกันไม่ร้อนนะักหนึ่งหนาวนะสมควรแล้วที่พวกเราทุกท่านที่มาบวชในศาสนาจะทีนี้ทีิจะไดนากลับตรุงตัวของตัวให้ดีขึ้นไม่อย่างนั้นจะเสียวันเสียคืน เดือนเสียปีไปปักการปฏิบัติปฏิบัติอย่าไปคิดว่ามันยุ่มันยากมันลําบากลําพานให้คิดเที่ยว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อตัวเองถึงจะลําบากยุงยากขนาดไหนก็เพื่อกายเพื่อใจของตัวให้รับความดีนิเศษให้รับความสุขความสบายตาเห็นเงื่อง ไปหนอยยุงยากลำบากทำไปนิดไหน่อยกดชว่าตัวไดทำเพียงเท่านั้นมาเป็นเดือนถัดมากาปรปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะไม่มีวันเวลาที่จะทำพ้นไปจากที่เหลปัญหาได้ฉะนั้นการนีสอนใจของตัวเป็นของสำคัญเพราะเราทุกท่านมุ่งมั่นจะมาประปฏิบัติไม่ใช่ว่ามาเล่นมาเฟินมาหลับมานอน ในสอนตัวอยู่ทุกการทุเกเวลากำหนดศึกษาในกายในใจเป็นของสําคัญกายใจท้องผวกเราท่านเป็นบอกก่อเกิดของความลุ่มหลงเป็นบอกก่อเกิดของเหนดตัญหาในใจที่เหนืยตัญหาลั่วไหลเข้ามาจากที่อืน่นเกิดขึ้นจากตายจากใจของนั้นตายถ้าหามีกําลังเยว่แรงดี ก็มักอยากจะเกิดที่เรียกปัญหาท่วมทับใจได้ในเมื่อเรายังไม่ถึงที่สุดซีมุสเนือความเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นการฝึกสั่งหรือหลับนอนเป็นเครื่องส่งเสริมที่เรียดปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งจะทําจิตใจให้ผุ่งผุงไปต่าง ๆ, า ๆ, าๆออนานาเพราะอานาจของร่างกายของเราแข็งแรงดีก็เลยชื่อว่าจะไปทําอันนั้นทําอันนี้ได้สะดวกสบายเพราะร่างกายมันเป็นอาวุธอันหนึ่ง เหมือนกันกับโจรมีอาวุธย่อมกล้าที่จะไปปล้นขี้ในที่ต่างๆได้ใจเหนือมีกายเป็นอาวุธเือกลายเป็นกําลังดีไม่ปวดไข้ไม่ออดแอะไม่เม็ดเหนื่อยจิตจะพุ่งปรุงไปต่างๆนาน า, นาเหตุนั้นการข่มกิเลสตัญชาท่านจึใท่มีสติปัญญาชนิดที่เจรนาข่มขี้ จะหาวิธีใดที่จะเน่สอนใจฟ้องตนให้ผมสีที่เหรยสันหาได้ผมตายและผมใจได้กป่ดต้องหาวิธีสอนตนวิธีสอนตนคนอื่นสอนให้เป็นวิธีของคนอื่นตัวข้องตัวคิดได้สอนตัวเองนั่นแหละเป็นสาระประโยชน์มากหากในที่นี้ที่จะรายงาเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะ ดีดีประเสริพิเศษได้การปฏิบัติจิตใจใจขอเคยปฏิทิปฏิบัติกันมาสำหรับครูอาจารย์ต้องขานมาก่อนว่ามันเป็นอย่างไรต่ออย่างไรและคนฝ่มผีส่วยวิธีใดนั่นเป็นเรื่องของขั่นเราผู้มาต่อทฤษปฏิบัติขาดาเนินตามขั่นที่มีพิจารณาตามขั่นและ ผมที่เดดตัณหาเอาไว้ไม่ในใจปรุงปรุงไปภายนอกกำหนดอยู่ในกายในใจสม่ำเสมอไปกายใจผิดเลยปรุงเฟอเ่อเหื่อเหือไปตามอารมณ์ต่างๆจะได้รับความสงบเบาสบายขึ้นเพราะที่เดชตัณหามันเกิดขึ้นจากสิ่ง น, นี้ไม่ได้เกิดนี้มาจากสิ่อื่นถ้าหากจิตของเราดีจิตของเราสงบส่วนอื่นมันก็สงบส่วนอื่นมันก็สบายได้หมด ติดทองเราพุ้งที่ทองเราปรุงเดือดร้อนส่วนอื่นกว่็ลอยเดือนร้อนไปตามแต่นั้นข้อสำคัญยืนอยู่ที่ตัวของเราทุกสิ่งทุกอย่างเดียวนี้เราขาดอะไรซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะทำมรรคนิ้าำให้เกิดขึ้นไม่ได้กายพวเรามี้หรือไม่ใจพวกเรานี้หรือไม่กุศลจิตติมีอยู่ในที่ไหนยิ่งยะตามเทียนมีอยู่ในที่ไหน ใครจะเป็นคนทำถทหาดตัวพรอะพวกเรานักปฏิบัติจะไม่ไม่ทำในที่นี้พี่เจรนาสอนตัวสม่เสมอไปเพราะทุก อ, อย่างพรามูลบริบูรณ์อยู่แล้วนี่แต่เราจะลงมือทำให้เห็นนักเห็นผลเกิดขึ้นในตนของตนเท่านั้นการเห็นการเป็นในตัวเป็นของมีคุณค่าเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว กายจะพูดจาปลาใสอะไรไม่มีการหลงดืมไปตามเขาไม่มีการเอยียงไปตามลมปากของคนเพราะมะคผลที่ตัวเห็นตัวเป็นมั่นประจักษ์อยู่ในตัวของตัวเองดะนั้นการปฏิบัติศาสนาที่จะรู้เห็นเป็นขึ้นก่ออาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นสันเตาธรรมคือกาจัด ปัดเสาจิตใจหัดเสาที่เหลืดตันหาให้ตกออกไปทีนิดทีหน่อยจนจิตใจเกิดวามบริสุทธิ์ปุดคองขึ้นพะจิตใจเส้นของหัดเสาได้ใสเหลือมใสถ้าหากมีสติสมีทิ่ิจรณ า, า ม, มีปัญญาแนสอนตัวถ้าหากปล่อยเอาไว้แล้วแต่มันจะเกิดจะเป็นจะเห็นเจู้คนนั้นอยู่จกนกระทั่งวันตายก็จะไม่เกิด คามดี invece, นิสัยเป็นด้สมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรอธิศิทธิ์อธิสิทธิ์ปัญญาเป็นอย่างไรมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรจะมีความสงสัยตลอดไปเพราะจิตใจของคนไม่เห็นไม่เป็นอากจิตใจของคนรู้เห็นเป็นขึ้นคนอื่นเขาจะมาพูดอย่างไรตามเห็นจองใจของตัวเชื่อเองเข้าใจเองเป็นปัจจัดตังไม่มีการบัณฑไว้ไม่มีการ เชื่อไปตามลมปากของเขามิสัยยานเกิดขึ้นแล้วในตัวของเราโวยการตอบยึดปฏิบัติเมื่อเห็นชัดเข้าใจจริงอย่างนั้นท่านคนนั้นแหละจะอยู่ในสถานที่ใดมีความสุขใจเพราะไม่มีที่เหลือกันหาไม่มีอวิชาอุปาชาเข้าไปเกี่ยวขแฝงจิตใจดวงนั้นมีความสว่างสวยมีความบริสุทธิ์ปุกพ่องอยู่ทุกตามทุกเวลาถึงหลังจจาการจะป่วยไข้ ได้ทุกขนาดไห น, นใจที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีการั่นไหวไม่มีเคยไม่เคยมีการเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุใดเพราะความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ขาบไม่ใช่ขันไม่ใช่โลกสมมติเป็นความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์อยู่ในฐานผูกแบบปฏิบัติได้ถี่ึงไม่มีการเสียหายไปตามการตามเวลาไม่เสียไปตาม เสือมคล่องของานยางงังคงเส็มคงวาอยู่อย่างนั้นร่างกายจะตายไปแันต่เมืียใงใจเพราะร่างกายเกิดมาต้องนีการเสื่อมสลายเป็นธรรมดาของมันแต่ในที่เจรารอบข้อบส่วนเหล่านี้เราพยียามไม่ถึงมีมุี่สุดของ พ, อพอรหมจารีต้องตั้งหน้าตั้งตาพิ่เจรณาอุตสาห์พยายาม การจากป่าเต่าที่เหลือตั้หาด้วยความภาคความเพียนท้องตนอย่าปล่อยวันคืนตีเดือนให้หมดไปป่าจะเสียที่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นดีดามานดามุ่งหวังตั้งใจอยากจะให้ลูกของตัวออกมาประพฤติปฏิบัติอาธรรมตัวเป็นผู้ดีทีเสดตัวพอกเราขอมานอนหลับทับจิตไม่เห็ิดได้ปรุง แก้ไขเรื่องตายเลื่อนใจให้ดีขึ้นมันคนนด้ีขึ้นไม่ได้การที่ใจดีขึ้นก็เพราะอาศัยตัวข้องตัวมุ่งหน้ามุ่งตาต่อที่ปฏิบัติดีจังจัดชั่วอยู่สม่ำเสมอจิตใจจึงจะฟองใสจิตใจเยือกเย็นจิงจจเป็นธรรมนี่คำเตือนที่ทุกคนควรจะทีนี้ที่จจริญนาแนะนตัวข้องตัว พะพวกเราหมุงหน้ามุนตามาต่อพื่อปฏิบัติในใ่มาเล่นมาเตินมาคุยมาหลักมานอนอย่างแค่นั้นใครเขาบอกทำกันได้ของที่ดีพิเศษนั่นแหละเป็นของทำยากเมื่อทําได้ตัวนี้คุณค่ามากสูงกับการแต่ทําบ่มเพง้องตนคนที่มีความดีพิเศษได้ โดยส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อที่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดของจริงผุดอะไรออกมาจัดอะไรออกมาเป็นพราวจ า, ารึกในนิพพิริ์เป็นที่เชื่อถื่อได้าทาคำต่างๆของพระพุทธเจ้าเป็นสวาคิจตธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงที่สุดที่มุทิตาดายสิ้น สงสาวคัคคูประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปัโนโน อ, อุสุปฏิปันโนยายาสานีจิก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาพินิ้ทิจารณากายใจส่วนนี้จนจิตใจละข อ, อนส่วนที่เคยติดข้องน่ะจิตใจผองใสจิตใจเบิบกบานมีความสง่าผ่าเผยทุกการทุกเวลา ยังมีอยู่ในโลกหากผู้ปพิปิปฏิบาตอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสุปฏิปันโนไม่เลือกว่าจะเป็นชะเป็นโยมเป็นใครก็าตามหากิดเข้าถึงความดียิเศษราชเศษ้อนปัญหาออกได้ในนิยมเทศในนิยมไว้เป็นสุปฏิปันโนรวยการทางนะการ รู้เห็นเต้นขึ้นคือปฏิบัตินี้ปฏิบัติงดปฏิบัติเพื่อทําจริงจังแล้วผู้นั้นแหละถึงยังไม่เห็นไม่เต้นก็จะเห็นจะเต้นขึ้นเมื่อเห็นเต้นขึ้นก็เรียกว่าูปฏิปันโนผู้ที่ควรแก่จักราบบูชาจา่าวป่าผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกดัถ้าหากเพียงแต่เพศเลี้ยงเหลือเอท้าเท้าเที่ยงแขนนั้นไม่ปฏิบัติกันแล้ว สุปฏิปโนก็ไม่มีในตัวของบุคคลเหล่านั้นและคนเหล่านั้นจะพูดว่าเป็นสาวน ข, ของพระพุทธเจ้ายังไม่ดับพะกายใจยังสะพืกชั่วยังคิดผิดอยู่สุปฏิปโนหมายถึงผูกปฏิบัติดีมีทางกายมีทางรายยาจมีทางใจมุ่งหวังต่อคุณวิเศษสม่ำเสมอไปทุกอาตติยญาที่ ทาที่พูดีด่มุ่งหวังแต่จะให้จิตท้องตนสงบระ ง, งับดักขี้เรยไม่ใช่คิดปรุงปุ่งไปตามอำนาจผลดันของขี้เรศตัณหาไม่ได้เว่อเป็นสุปชุปโนถึงยังไม่เห็นไม่เป็ น, ไ ม, นไม่รู้คนนั้นแหละไม่วันไดกวันหนึ่งจะถึงความเย็นเห็นสึกจากาการตัวเปฏิบัติท้องตน เพราะอุตุปฏิบัติโนปฏิบัติตนต่อทำสอนพร้อมกัผู้ชจายอยู่อย่างนั้นถ้าหากไประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นขาดฉันหรือเพศนักัวชจะไม่มีคุณค่าราชาอะไรเพราะเที่นเหล่านี้ใครเขาก็กทำเอาได้ที่เรียกสั้หาให้ัวดสำหรับคนอื่นทำชั่วคิดชั่วหรือนอนใจ แต่ผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีครามศรัทธาความเชียอในใจที่เด็ดปัญหามันตัวเพราะผู้นี้มุ่งหน้ามุ่งตาจะฝ่าฟันกับเรื่องที่เด็ดปัญหาเสมอไปใจจะมีความว่างหานในกานปรปฏิบัติทุกคนที่มุ่งหน้ามุ่งตามาประบฤติปฏิบัติควรที่นี้ที่จะไดนมา อย่าให้วันเวลาผ่านไปเปล่าเอาความดีจากวันเวลาเอาความดีจากการปฏิบัติกายใจของตอนให้ดัไม่อย่างนั้นจะเสียใจภายหลังเพราะหลางกายนับวันสิ่จะทะลุดสุดโตมจะเศร้าใจแย่หรือม่อย่างนั้นโรคไัยไข้เจ็บต่อในเบื้อกไว้ที่จะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้เราทุกคน ไม่มีโรคไทไช่เก็บอะไรพอที่จะเป็นอุปสรรคของใจพอที่จะบระคลฤติปฏิบัติได้ ท, ทำทำแนะนําคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เรียเร่งคันา้ายปอบปวยจะทําบําเพ็ญในเวลานี้เวลาอืน่นก็แม่แน่ว่ามันจะเป็นไปอีกอย่างไรฉะนั้นจึงควรสอนใจขอ้อควรประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เป็นขึ้นทาสอนต้องพระพุทธเจ้า จะเป็นของอัศจัรย์พิเศษประเสริฐขนาดไหนจะไปพับใจของอู่รู้กูเห็นไม่อย่างนั้นความเชื่อก็จะงมงานหรือซุ่มเดาเราต้องเชื่อด้วยการเห็นการเช็นของตัวเองจากการสต้องปฏิบัติจึงจะเป็นความเชื่อที่แน่นอนเป็นอาจระรัทษาคือเชื่อมากไม่หวั่นไหวใครจะพูดจาปลาใส หรือยกพทดอย่างไรด้วยอํานาจคนตามดีมีอยู่ในใจเห็นไปจักชัดแจ้งอยู่จะไม่มีการบั่นไหวยุ่มหลงไปตามเดือดของเขาเพราะลมปากของคนดีชั่วมันคมได้สนได้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็เคยโดนตั้งหนี้มาเหมือนกันทั้งนั้นที่พระองค์บริสุทธิ์ปลุกพองอยู่แต่พระองค์ก็ไม่ยทรงหวันไวยไปตามลมปากของเขาเมื่อเราเมื่อเห็นเมื่อเป็น มิ่งขึ้นจา ก, กจิจกใจเหมือนพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าคือไม่หวั่นไว้ต่อโลกไป่ทำความเช็นความเห็นปจากชัดเจนอย่างไรจะประทับในใจของตัวเองเหัวรูปเสียงสิ่งลวต่างๆจนเขามียอมทมชอบกันโลกเขารือกันแต่จิตใจของผู้ปฏิบัติ รูเห็นชัดเจนส่วนการพิจารณาแยบถ่ายแล้วจะไม่มีการลุ่มหลงหรื อ, อติดข้อในส่วนนั้นแต่นั้นการศึกษาการปฏิบั ต, าา ต, าาติท่านชี้ให้ิจารณาเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่อันอื่นเกิดเป็นที่เรียกตัณหาไม่ใช่อันอื่นเกิดเป็นวิชาบิมุตขคือจิตใจดวงนี้เองคมกวอยู่นี้สั้นกว่าอยู่นี้ชาเป็นหิสไม่ใช่อยู่ที่อื่น การศึกษาจึงไม่ควรจะไปสงสัยลังเลใจเพราะเรามีตายมีใจ <c oughs> เหมือนต้นพุธเจ้าหรืออริยาสาวกไม่ขาดตรงปกช่องอะไรทุกอย่างเราข้อมูลบริบูรณ์อยู่แล้วควรที่จะนะสอนตัวเองใกป่าหารในการเทศปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนของตนและ เพื world, ่อผลประโยชน์แก่บุคคลผู้อื่นสักอยอื no, ่นที่ได้สาบานจาระบูชาเป็นเนื้อนาบุญที่ดีของโลกได้หากเรานักปฏิบัตินักปวดไม่กล้าทาตามดีไม่ยอนเสียสละเห็นแก่การหลับการนอนการเดินการเชินแล้วคนอื่นภายนอกเขาจะเยอมใส้สัทธาได้อย่างไร เพระศนี้เป็นเพศที่เสียสละเป็นเพศที่ตั้งหน้ามาเผชิญปฏิบัติแต่อาตมาปิฎยาท่าทอทุกอย่างเคยเป็นฆราวาสอย่างไรเข้ามาเป็นพะเป็นเนียนก็ยังเป็นอย่างนั้นจะถือว่าเป็นนิสัยนิสัยถึงเกียรติ์บนตัวที่ เ, วเลวก็ควรละถ้าหากเป็นนิสัยจริงจังอย่างถ้าอภิาสาวาหรือผู่บริสุทธิ์แล้วนั่นเป็นนิสัยจริทํานในต้อง ลาวังสงสยัยกรณีใส่พองพันเป็นอย่างไรท่านไม่ต้องทับส่วนใดที่ไม่เป็นไปเถอโลภะวตชะถึงตาโลกเขาจะสิสิมีทางท่านปลอยไปตามเรื่องนี้ใสของท่านเพราะท่านหมดโทษหมดที่เลืจะรักษาให้ดีพอแม้ดีได้จะทําให้เสียมันก็เสียไปไน่ได้เป็นเรื่องนี้ใสา ต, าตายตัวนีเราไม่เป็นอย่างนั้นทั้งสิมีทางมีขัน มีายมีใจใจที้เด็ดตั้นหากาะแฝงอยู่ภายในทาอะไรยังเกลียบพลไปด้วยชี้เด็ดตั้นหาให้สำระเรื่องชี้เด็ดตั้นหาออกจากใจทําดีจนให้ใจถึงที่สุดดีมุดนิสัานนิสัยของเราเป็นอย่างไรจะเข้าใจในเรื่องนิสัยจนเองโดยไม่ต้องไปด่าแคลรอีกเพราะเป็นนิสัยหรือว่าไม่มีชี้เด็ดตั้นหาเข้าไปเกลียบแฝง มีเรื่องของนิสัยส่วนการยินพิจรารณาเหลื่องกายใจมันมีทางที่จะยแยกยึดพิจรารณาได้ตามนิสัยวาสนาตามสติปัญญาของตนพนที่หลุ่มหลงกันเถิดเทินเทินหันต่างๆตลอดถึงสมบัติพัต่ฐานภายในออกก็ออกไปจากตายจากใจถ้าหากไม่มีกายมีใจแล้ว สมบัติส่วนอื่นจะมีมากมายหลายหลวงขนาดไหนไม่เคยเป็นภัยเป็นเรียนไม่เคยทําความดีใจเสียใจให้แก่ไทยเท่านั้นสมบัติเป็นสมบัติทางพิจารณาใจตายพิจารณาใจแจ้งชัดเรื่องสมบัติภายนอกเป็นของสี่ขึ้นสี่อาศัยไม่เหมือนมีคือเจนอยู่เรื่องของกายที่เราลุ่มหลงก็คือเราในเด็ก พิจนารณาแยกกายข้าใจว่ากายจะเป็นของมั่นคงถาวรหรือเข้าใจว่ากายนี้เป็นของผีเป็นโรคใครเบียดเบียนหรือเข้าใจว่ากายนี้เป็นของทีตสะอาดสวยงามโดยความไม่พิจนานณาแยกกาอย่างนั้นจึงลุ่มหลงเพลิดเพินไปในเรื่องของกายแล้วเมื่อลุ่มหลงในตัวข้องตัวส่วนสิ่งอื่นภายนอกก็คอยลุ่มหลงใสตาม เพราะตัวเป็นปนัจจายแต่นั้นการที่ารนาายการที่ารนาใจาเป็นเป็นของสำ้ำญเป็นของที่นัดปฏิบัติทุกท่านจะต้องสนใจในควนมองข้ามเพราะอันอื่นออกจากกายจากใจทางนั้นที่ร่วมหลงผัดคล้องก็คือร่วมหลงเรื่องใจเรื่องใจของตัวแล้วก็เรื่องอื่นยอมเกิดขึ้นติดตามมาเป็นผลพอยด้ แต่นั่นการที่เรนาใจาจะแยกพายเท่าไรให้พิจารณาลงไป่แยบพายทุกที่สุดท้อมันว่าธาตุขันธ์อันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากฟองตบู่กับพวกหรือฟอ ง, อง ส, สววยงอหงายมันจะตั้งมั่นอยู่ได้ไหมหรือมันจะแตะพวนไปอย่างไรพิจารณาดูทุกสองทางให้จิตยอมจำนวนเขียนชัดไปจาก แล้วมันจะละจะถอนเหลือฟงกายไปเีกพอมันเห็นชัดต่อจากอย่างนะถ้ายังไม่เห็นชัดยังไม่ยินพอในการที่เจรณามันไม่ยอมปล่อยวางแล้วก็นี่แหละการจะลุ่มหลงเมื่อดนมนทับผมเขา้าจิตใจของพวกเราทันเป็นอย่างนะความลุ่มหลงเพิดเชินในกายเป็นของใหญ่โตสามารถที่จะ ขอบโกโลกทนะั้ง3ามสี่ขนตล่าเอาไว้พอพ่อหลงตายหลงใจของตัวเองถ้าผู้ใดที่นิจพาณาแกมแจ่มชัดเจนเห็นไปจากเรื่องท้องตายแกเหลืออยู่กับเรื่องท้องใจที่ไปปิดข้องชมเชยว่าสุขว่าสบายอย่างนั้นอย่างนีาตา้าตาิดนิดๆติดทางละเอียดของใจส่วนนั้น น้อยหนักหนาสำหรับบุคคลผู้ปรกตบการไปซือแบเมื่อไปทิ้นจิดนั้นขั้นนั้นแต่จิปัญญาอันละเอียดจะตามที่นิพพาณาเข้าไปทำลายความโงสใยเย็ดมั่นต่างๆจนทำลายความรลุ่มหลงเหลือชาให้หมดจากใจได้นี่ข้อสาคัญก็คือเรื่องของการ สัวเราขั้นยังลู่หลงกันอยู่เพราะจิตยังอยู่ในขั้นมูลขั้นแปลผมควรศึกษาควรพิจารณาให้แยบชัดให้ข้อยใจเรื่องท้องตายชาตเปียนเทียก่อนเมื่อมันหมดความสงสัยในเรื่องส่วนนี้มันจะไหลเข้าไปเรื่องของนม า, ามธรรมทุกคนที่ที่นี้ที่รณาจ ะ, ะา ต, ต้องที่เจรณานี้ เม่ได้พิจรารณาไปที่อื่นพดดจ้าผู้ใช้เจ้าก่อนจะตรัสรู้ท่นานขอพิจารณาตาสื่อลมหายใจยโผา่อกังจากนั้นทุกท่านที่ผมเพื่อปฏิบัติอาจทําส่วนความสลุดพ้นไปจากที่เหล่านั้นเจ้าต้องพิจรารณาในเรื่อของกายของสิตในที่พิจารณาที่อื่นบ่เป็นอย่างนั้นเราท่านก็มด้วยกันทุกคน ไม่ควรจะไปสนใจเรื่องอันอืน่นยิ่กว่ากายปวดจิตท้องต้วันหนึ่งหนึ่งมันเป็นอย่างไรเรื่องของตายเราเดีพิจรารณาแยบคายหรือไม่ใจมันปรงุงมันคิดออกนอกกายไปพิจรารณาส่วนอืน่นเรื่องอืน่นมีโอกาสเวลากับการพิจรารณาการอะไรั้มากกว่าการพาพิจรารณาายมากใจจะมีกําลัง หาพิจารณาภายนอกมากทรงปรุงปรงไปเรื่องอื่นใจจะไม่มีกําลังวิเลจะท่วงครับไม่มีเวลาที่จะสุขจะสบายได้แต่นั้นกายก็เป็นของของตัวมีอยู่ทุกคนหน่วยกันที่จะทพิจารณาพิจารณาจากทีตะลงไปหาขื่นเท้าหรือพิจารณาจากขื่นเท้าขึ้นมาหาทีษะพิจารณาทั้ง หลังมาทางหน้าทิจานาทางหน้าไปทางหลังพิจานาให้แกะทายกร จ, จัดกระ จ, จ, ะ จ, จ, ะจายออกไปสะดุูท่อ น, น้อยทอนใหญ่เป็นเอ็มเมื่อหนังต่างๆมันเป็นอย่างไรมั น, น, นจึงเกิดความตำหนักคอยใจมันจึงเกิดความสงสัยลังเลว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นอุบายปัญญาที่จะทิจ น, นาเรื่องของตัวให้รู้ให้เข้าใจให้ไปจับ มันเห็นมันเป็นเกิดอุคาหาหรือปฏิภาพขึ้นมันจะมีความเบื่อคนันงนาในความหลุ่มหลงของตัวไม่อย่างนั้นมันไม่ยอมปล่อยวางมันเชื่อว่าตายเราตายเขาเกิดสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้มันจะมีความหมายไปต่างๆนานา แต่นั้งการพิจารณากายจึงควรที่เจรณ า, า, าแย บ, บทายในจิตจกพากันหลักการนอนจนเกินเกลื่อนเกินเวลาในตางหน้าต่งางๆพิจารณาและต่อไปปฏิบัติเพื่อจิตใจของตนจะรู้เห็นเป็นจริงตามคาแนะนํำคำสอนของพระพุทธเจ้า